พท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันสุขที่18บแปดพศจิกายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างสารรค์ สร้างที่พึ่งให้แก่ใจที่พึ่งที่แท้จริงของใจก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ส่งพระคุณอันประเสริฐผู้ที่ได้หลุดพ้นจากภัยคือความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างสิ้นเชิงแล้วก็นำเอาวิธีการ ที่จะทำให้สรรโลกทั้งหลายได้มีที่พึ่งได้หลุดพ้นจากทุกข์จากภัยทั้งหลายได้รู้ได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นกันพระรัตนตรัยหรือสรณะคือพระพุทธพะธรรมพระสงฆ์นีมีอยู่สองสองอย่างด้วยกันคือ พระพุทธพรธรรมพระสง์ที่อยู่ภายนอกใจและพระพุทธพธรรมพระสมฆ์ที่อยู่ภายในใจสารณะที่แท้จริงต้องเป็นพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายในใจเช่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านมีพุทธธรรมะสังขารอยู่ในใจ คือท่านมีแสงสว่างแห่งธรรมคือธรรมะเมื่อมีแสงสว่างแห่งธรรมก็ทำให้ท่านเป็นพุทธขึ้นมาเป็นสังขขับขึ้นมาพวกเราตอนนี้ยังเป็นปุตุชงอยู่ยังไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมยังไม่มีธรรมะปรากฏขึ้นภายในใจเราจึงยังไม่เป็นสังขับรัตนะ์ แต่เราจะเป็นได้ถ้าเราน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกใจของเราให้เข้ามาสู่ภายในใจด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกนี้เปรียบเทียบก็เหมือนกับป้ายโฆษณาที่โฆษณาสินค้าต่างๆ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นป้ายโฆษณามรรคผลนิพพานเวลาที่เราเห็นพระพุทธรูปเวลาที่เราอ่านหนังสือธรรมะเวลาที่เรากราบพระสงฆ์องเจ้าเราต้องรนึกถึงสินค้าที่พระพุทธศาสนามีขายหรือมีมอบให้กับเรานั่นก็คือมรรคผลนิพพานการกราบพระ นั้นไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปและพระสององค์จ้าก็เพื่อให้เราลําลึกถึงมรรคผลนิพพานนี่เองสินค้าอันประเสริฐของพระพุทธศาสนาไม่มีที่ไหนไม่มีศาสนาใดที่มีมรรคผลนิพพานแจกใจ่ายให้แก่สัตโลกมีพระพุทธศาสนานี้ เพียงศาสนาเดียวเท่านั้นดังนั้นเวลาที่เรากราบพระหรือมีพระพุทธรูปไว้ครอบครองไว้บูชาเป้าหมายคือเจตนารงก็คือต้องการให้เราลำลึกถึงมรรคผลนิพพานให้เราลำลึกถึงการปฏิบัติ เพื่อให้ได้บรรลุถึงมรรคผลผนิพพานนี่คือหน้าที่ของสารณะภายนอกคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีหน้าที่ชี้ทางบอกทางไปสู่มรรคผลนิพพานนั่นเองเช่นพระพุทธเจ้าในขณะที่ทรงมีพระชนชีชวิตอยู่พระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้แก่ ผู้อื่นได้รู้หรือวิธีการที่จะปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานเช่นตอนบ่ายก็อบรมสั่งสอนญาติโยมตอนค่ำก็อบรมสั่งสอนพระภิกษุสา ม, มเณรตอนดึกก็อบรมสั่งสอนเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะทรงออกบินตาบารโโรดสัตว์ ก็ส่งเรียานว่าวันนี้จะไปโปรดสอนคนคนไหนก่อนถ้าคนไหนทรงเห็นว่าพร้อมเป็นบวเหนือนางพร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมของพระธรรมคำสอนได้ก็จะมุ่งไปสอนบุคคลนั้นก่อนนี่คือ พระรัตนตรัยที่เรากราบว่าบูชาภายนอกท่านไม่สามารถที่จะปกป้องทุกภัยต่างๆทั้งภายนอกใจและภายในใจของพวกเราได้แม้แต่พระพุทธรูปที่พวกเราสร้างองค์ใหญ่โตหรือวัดวาอารามที่มีพระพุทธรูปเต็มไปหมดนั้นก็ไม่สามารถป้องกันภัยเช่นน้ำท่วมได้ ตอนนี้น้ำท่วมวัดวาอารามท่วมพระพุทธรูปเต็มไปหมดนะเพราะว่านั่นไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธรูปนั่นเองพระพุทธรูปไม่มีหน้าที่ที่จะมาปกป้องชีวิตของเราไม่มีหน้าที่ที่จะมาป้องกันภัยต่างๆท่านไม่ใช่เป็นบริษัทประกันภยัยท่านไม่ได้มีหน้าที่ทำอย่างนั้นหน้าที่ของท่านนั้น เป็นป้ายบอกทางชี้ทางให้กับเราว่าทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นไปอย่างไวเพระาะคำคำสอนก็เช่นเดียวกันเป็นคำสอนที่สอนให้ไปสู่มรรคผลนิพพานเพียงอย่างเดียวไม่ได้สอนให้มีอิทธิฤทธิปาฏิหารไม่ได้สอนให้มีความสามารถป้องกันภัยต่าง ไม่ว่าภัยภายนอกเช่นวาตภายัยหรืออักคีภยัยน้ำท่วมภัยเหล่านี้เราป้องกันไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่พระพุทธพระธรรมทำได้ก็คือบอกวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันความทุกข์ใจได้เพื่อหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ซึ่งเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่กว่าน้ำท่วงยิ่งใหญ่กว่าพายุยิ่งใหญ่กว่าแผ่นดินไหวยิ่งใหญ่กว่าไฟไหม้หลายล้านเท่าด้วยกันเพราะถ้าเรายังไม่หยุดการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่บรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานเราก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย มาทุกข์กับภัยต่างๆอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาเจอกับน้าท่วมเจอกับไฟไหม้เจอกับพายุเจอกับแผ่นดินไหวทุกวันนี้มนุษย์เหล่านี้จะเป็นโรคประสาทกัน เพราะกลัวเรื่องภัยต่างๆเหล่านี้กลัวว่าโลกนี้จะระเบิดกลัวว่าโลกนี้จะหมดอายุซึ่งกลัวอย่างไรหรือไม่กลัวอย่างไรมันก็ต้องหมดได้แน่สักวันหนึ่งกลัวอย่างไรหรือไม่กลัวอย่างไรน้ำก็ต้องท่วมอยู่นั่นแหละแผ่นดินก็ต้องไหวพายุก็ต้องมีพัดมาไฟก็ต้องมีไหมอยู่เสมอ เพราะนี่เป็นธรรมชาติของโลกนี้เป็นธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะไปยักยั้ได้แต่สิ่งที่มนุษย์นี้สามารถยับยังได้ก็คือความหวาดกลัวต่อภัยต่างๆเหล่านี้นั่นเองถ้าสามารถปฏิบัติจนบรรลุมักผลนิพพานได้ใจจะอยู่เหนือภัยต่างๆ ไม่ว่าจะมีภัยชนิดใดมากระทบก็จะกระทบได้เพียงแต่ร่างกายซึ่งสําหรับผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจไม่ใช่ตนร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นกู้ระเบิดผู้ที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดนี้ไม่ได้อยู่ที่หุ่นเขาใช้ระบบคลื่นวิทยุบังคับให้ หุ่นกู้ระเบิดเข้าไปกู้ระเบิดถ้าเกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นมาสิ่งที่จะโดนลูกระเบิดก็คือหุ่นกู้ระเบิดแต่ผู้ที่ควบคุมบังคับให้หุ่นไปกู้ระเบิดนี้ไม่โดนระเบิดไปด้วยฉันใดใจกับร่างกายก็เป็นอย่างนั้นใจเป็นผู้ควบคุมร่างกายร่างกายเป็นเหมือนหุ่นกู้ระเบิด ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่รู้ว่าใจกับร่างกายนั้นเป็นคนละคนกันก็จะไม่เดือดร้อนกับการกับภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียของทรัพย์สมบัติ เข้าของเงินทองต่างๆเพราะผู้ที่ควบคุมร่างกายนี้ไม่ได้ไม่เสียอะไรไปกับการได้การเสียของร่างกายเวลาที่ได้ร่างกายมาก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาด้วยเวลาทิ้งร่างกายนี้ไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยเลยเหมือนคนที่เข้าไปดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ดูแล้วก็ตื่นเต้นดีใจไปกับพระเอกนางเอกว่าได้หรือเสียแต่พอเอาจากโรงไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยนี่แหละคือใจของพวกเราที่มาเกิดการมาเกิดของพวกเรานี้ก็เหมือนกับการมาเข้าโรงละครมาดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่เราไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเรา แล้วก็ไปดีใจกับการได้การเสียของร่างกายเวลาได้ทรัพย์มาก็ดีใจเวลาได้ตำแหน่งมาก็ดีใจเวลาได้คนยกย่องสรรเสริญก็ดีใจเวลาได้เสเกความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกับรูปเสียงกลิ่นโนดโผฏะก็ดีอกดีใจพอเวลาสูญเสียเงินไปก็เสียอกเสียใจ เวลาถูกปลดออกจากตังแหน่งก็เสีย อ, อกเสียใจเวลาถูกคนเข้าข้าาหานินทาตำหนิตีเตียนก็เกิดความเสียใจเวลาเกิดความทุกขจากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑะที่ไม่พึงปรารถนาก็เกิดความเสีย อ, อกเสียใจทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เสียอะไรไปกับร่างกาย เหมือนกับคนที่นั่งดูภาพยนต์อยู่ในโรงไปดีใจเสียใจกับพระเอกไปทำไมไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความตื่นเต้นหวาดเสียวกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แหละคือใจของพวกเราเป็นอย่างนี้ใจของพวกเราหลงไม่รู้ความจริงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้รู้ความจริงเพราะท่าน เป็นเหมือนคนที่ตาบอดแล้วสามารถลืมตาขึ้นมาได้นั่นเองพอลืมตาขึ้นมาได้ก็เลยเห็นทุกอย่างผิดไปกับความคิดเห็นในขณะที่หลับตาเวลาเราหลับตานี่เราสามารถจินตนาการว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ตรงกับความจริงพอเราลืมตาขึ้นมาถึงจะเห็นว่าอ๋อสิ่งที่เราคิดน่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็เช่นนั้นจะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราไม่มีอะไรที่จะอยู่ไปกับเราไปได้ตลอดไม่มีอะไรจะให้ความสุขกับเรามีแต่จะให้ความทุกข์กับเรานี่คือผู้ที่มีแสงสว่างแห่งธรรมผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานจะเห็นกันพอเห็นแล้ว ใจก็เลยไม่ตื่นเต้นเดือดร้อนวุ่นวายไปกับการเจริญการเสี่ยมของสิ่งต่างๆของร่างกายของสมบัติที่ร่างกายได้มาครอบครองจะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนดูหนังท่านเองทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องจบเหมือนกับภาพยนตร์ที่จะต้องจบพอภาพยนตร์จบแล้วคนดูก็ออกจากโรงไป ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปไปเลยแต่ในขณะที่นั่งดูก็ตื่นเต้นหวาดเสียวไปกับเหตุการณ์ต่างๆบนจอภาพยน์นี่คือความหลงที่ครอบงำจิตใจของปุ้ตุชนคือพวกอย่างพวกเราทั้งหลายนี้พวกเรายังหลงทิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเรายังหลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นของเรา และจะอยู่กับเราไปนานๆเราไม่รู้ความจริงพอความจริงปรากฏขึ้นมาก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเช่นเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักไปหรือคนที่เรารักไปก็ร้องห่มร้องไห้ขณะที่ยังไม่สูญเสียก็วิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างตอนนี้คงจะหวาดภวากับภัยต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นคงอะคิดกันว่าเมื่อไหร่จะท่วมอีกเมื่อไหร่ไฟจะไหม้เมื่อไหร่ไรไรแผ่นดินจะถล่มเมื่อไหร่จะเกิดอักคีภัยนี่เป็นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากความหลงท้งนั้นถ้าไม่มีความหลงแล้วถ้ารู้จริงเห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเห็นกันแล้วก็จะไม่มีความ ทุกเลยนี่คือป้ายหรือสาระของพวกเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งของเรายังไม่สามารถปัดเป่าความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้จนกว่าเราจะสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาภายในใจถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาภายในใจแล้ว ใจของเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยการที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นมาภายในใจของเราได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านสอนท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามที่ท่านสอนเอาท่านเป็นเยี่ยงอย่าง ท่านท่านบอกสอนให้เราให้ทานเราก็ต้องให้เหมือนท่านการให้ทานของท่านกับของเรานี้ไม่เหมือนกันตอนนี้เราให้เพียงเท่าเล็กเท่าน้อยถ้าเป็นเปอร์เซนต์ก็อาจจะร้อยละสิแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอาหา ร, ระอาหันตตัสาวกนี้ท่านให้ร้อยทั้งร้อยเลยคือท่านมีเท่าไหร่ท่านให้หมดเลย ท่านมีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรท่านสละหมดแล้วก็ออกบวชอยู่แบบขอทานมีบาตรอยู่ใบหนึ่งมีไตรจีวรไว้นุ่งหง่มแล้วก็มีมีโกนไว้สำหรับตรงศรีรษะมีเข็มกัดได้ไว้ซ่อมเย็บจีวรมีผ้ารัดเอว มีที่กรองน้ำมีเท่านี้แหละนี่คือสมบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านไม่มีอะไรท่านจนภายนอกแต่รวยภายในภายในมีอริยทรัพย์มีธรรมะซึ่งเป็นเหมือนกับแก้วอันประเสริฐนี่เองมีสังฆารัตนะมีธรรมรัตนะ มีพุทธรัตะนะอยู่ภายในใจเป็นเศรษฐีไม่หิวไม่โหยไม่อยากไม่อดอยากขาดแคลนอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาเป็นปรมังสุขขังไม่มีความทุกข์ไม่มีความหิวมาเบียดเบียนมาเกี่ยวข้องกับใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาโรกเลยท่านสอนให้เราให้ทานกัน ดังนั้นถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าเราต้องเพิ่มปริมาณของการให้ทานของเราขึ้นไปตามลำดับจนขึ้นไปให้ให้เต็มร้อยเลยถ้าตอนนี้ทำได้ร้อยละสิบต่อไปก็ต้องขยับเป็นร้อยละยี่สิบสามสิบสี่สิบขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะถึงร้อยได้พอถึงร้อยแล้วก็พร้อมที่จะออกบวชพร้อมที่จะรักษาศีลได้ อย่างตลอดเวลาถ้าเรายังให้ไม่หมดนี้เราจะไม่สามารถรักษาศีลได้เพราะใจเรายังมีความโรคยังมีความหวงอยู่บางครั้งก็ต้องพูดโตดเพื่อปกป้องรักษาสมบัติหรือเพื่อหาเงินหาทองมาให้มีมากขึ้นดังที่พ่อค้าแม่ขายทั้งหลายมังจะมาเล่าให้ฟังว่าเวลาค้าขายนี่พูดก็ไม่พูดโกหกไม่ได้เพราะจะขายไม่ได้ คนซื้อก็ชอบให้เขาโกหกถ้าเขาพูดจริงก็จะไม่ซื้อก็<ม>เลยถ้าพูดโกหกไปโฆษณาชวนเชื่อว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้<ม>เขาก็มีความละอายใจเวลามาคุยกับพระเรื่องของการรักษาศีลนั่นก็เป็นเพราะว่าใจเขายังอยากได้มากกว่าอยากให้นั่นเองถ้าตราใดเรายังมีความอยากได้มากกว่าความอยากให้ เราก็จะรักษาศีลไม่ค่อยได้รักษาได้บ้างบางเวลาบางครั้งเวลาใดที่เราไม่อยากได้เวลานั้นเราก็จะรักษาได้เวลาที่เราอยากได้ขึ้นมาเราจะถูกความโลภนี้ครอบงำจิตใจทำให้ไม่สามารถรักษาศีลได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาศีลให้บอยสุดเหมือนนักบวชทั้งหลายเราก็ต้องสละทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เรามีอยู่แล้วเราก็ออกบวชนี่คือหน้าที่ของการให้ทานการให้ทานนี้ไม่ใช่มีหน้าที่เพื่อให้เราร่ำรวยขึ้นให้มีเงินทองมากขึ้นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดแต่ก็อาจจะมีอา น, นิสงส์อันนี้ไม่ปฏิเสธผู้ที่ทาบุญให้ทานถ้าไปเกิดพบหน้าชาติหน้าก็มักจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็น ผลตามมาแต่เป้าหมายของการให้ทางนี้เพื่อที่จะให้ไปสู่พระนิพพานและการจะไปสู่พระนิพพานได้ก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราและมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดนั่นเองถ้าเรายังยึดยังติดอยู่เราจะไปถึงพระนิพพานไม่ได้เหมือนถ้าเราจะไปข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่ง ถ้าเรายังไม่ยอมลงน้าไม่ยอมว่ายน้ำยังหวงสมบัติเข้าของเงินทองที่อยู่ฝั่งนี้อยู่เราก็จะไปไม่ถึงฝั่งตรงกันข้ามเราต้องสละของที่เรามีอยู่ในฝั่งนี้แล้วก็กระโจนลงน้ำว่ายน้ำไปเลยการกระโดดลงน้ำนี่ก็คือการรักษาสีที่ เ, เราต้องกล้าที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทั้งหลายให้หมดไป แล้วก็ออกบวชถ้าออกบวชไม่ได้ก็บวชในในบ้านนี่แหละรักษาศีลเป็นเหมือนนักบวชเป็นเหมือนพระรักษาศีลแปดไปก็พอเพียงสาหรับถ้ายังเป็นคารวานอยู่แต่ถ้าศีลห้านี้ยังไม่พอเพราะจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติธรรมขั้นต่อไปได้ก็คือการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญานี้เอง แต่ถ้าเรารักษาศิ่แปลกได้เราก็จะสามารถตัดนิวรณ์ที่เป็นกำแพงฝางกั้นการปฏิบัติการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญานั่นเองนิวรณ์ก็คือกามฉันทะนี้กามฉชัญทะก็คือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสยังอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะอู่เช่นยังอยากดูหนังฟังเพลง <ส>ถ้าถือศีลแปแล้วดูไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้แต่ถ้าถือศีลห้านี้ยังออกไปได้ยังออกไปเที่ยวได้ดูหนังฟังเพลงได้ยังร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่ถ้าถือศีลแปนี้ไม่ได้แล้วไม่ให้หลับนอนกับคู่ครองหรือกับใครก็ตามไม่ให้หาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปให้รับทานอาหารพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายก็พอแล้วคือรับประทานเพียงเพียงมื้อเที่ยงมื้อเดียวก็พอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องรับประทานไปอีกรับรองได้ว่าไม่ตายอย่างแน่นอนถึงแม้ไม่ได้รับประทานเลยก็ไม่ตายเพราะว่าร่างกายนี้ได้สะสมสเสบียงอาหารไว้อยู่ได้ เกินเจ็ดวันอย่างแน่นอนเพียงแต่อาจจะต้องเติมน้ำกับลมหายใจเท่านั้นเองแต่เรื่องอาหารนี้มีสะสมอยู่ในร่างกายไว้หลายกิโลแล้วอดไปได้อดแล้วกลับจะดีสออิสำหรับคนที่สะสมอาหารไว้มากๆร่างกายจะได้มีหุ่นที่ดีขึ้นไม่กลายเป็นไม่เป็นตุ่มอยู่ตลอดเวลานี่คือเรื่องของการไม่หาความสุข การตัดนิวรณ์ถ้าเราไม่ตัดนิวรณ์จิตใจเราก็จะมาเสียเวลากับการหาความสุขต่างๆเหล่านี้จะไม่มีเวลาไปนั่งสมาธินั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าจึงน่งสอนให้ผู้ที่ต้องการที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมจเจริญปัญญาจำเป็นจะต้องถือศีลแปดจะต้องอดอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่หาความสุขกับการแต่งกายแต่งหน้าทาปากไม่ความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ฉาบฉวยเป็นความสุขชั่วคราวเหมือนควันไฟพอแต่งหน้าแต่งตัวไม่นา น, านเหีืยวเหงื่อใครก็ไหลออกมาส่งกลิ่นเหม็นก็ต้องไปอาบน้าอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่นี่ไม่ใช่เป็นความสวยงามที่แท้จริง ความสวยงามอยู่ที่การมีสิงเป็นผู้มีจิตเมตตากราุณาไม่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่จองเวรจองกรรมผู้อื่นไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถึงจะถือว่าเป็นคนที่สวยงาม น, น่ารักเพราะคนที่มีความเมตตากราุณาจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นเองจะปลอดภัยจาก ภัยต่างๆเช่นจะไม่ถูกฆ่า่าตายด้วยอาวุธดยยาพิษเพราะว่าไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้กับใครนั่นเองนี่คือเรื่องของการทำทางเพื่อที่เราจะได้ก้าวขึ้นไปสู่ทำขั้นต่อไปก็คือศีลนะสมาธิและปัญญาถ้าเปรียบเทียบก็คือเราจะต้องกระโจนกระโดดลงน้ำว่ายน้ำเพื่อไปอีกฝัง่ง ถ้าเราจะแบกสมบัติไปด้วยนี้ก็จะจมน้ำตายสีก่อนว่ามันจะไม่มีกำลังที่จะแบกข้าวของต่างๆแล้วว่ายน้ำไปด้วยเราต้องไปตัวเปล่า เ, าเอาอย่างมากก็ชุดว่ายน้าไปชุดเดียวก็พอไม่ต้องไปแบบชีปเปลืยไปเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็มีอัฐะบริขารมีสิ่งที่จำเป็นต่อการ รักษาอัตภาพชีวิตให้อยู่ไปได้เพื่อที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลนิพพานนี่คือตัวอย่างของพระพุทธเจ้าและของพระ อ, อริยรสงสารโกทั้งหลายนี่คือความหมายของที่พึ่งภายนอกเป็นเหมือนเป็นป้ายโฆษณาบอกทางของเราว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราต้องให้ทานเต็มร้อย เราต้องรักษาศีล8ดขึ้นไปอย่างน้อยต้องศีล8ถ้าเป็นสา ม, มเณรก็ศีลสิถ้าเป็นพระภิกษุก็ศีล227้อีข้อเพราะศีลจะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ใจของเรานั้นไปสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองเหมือนกับวัวกับควายถ้าเราไม่ต้องการให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและตัววัวควาย เราก็ต้องมีข้อเก็บเอาไว้ขังคัวขังวขังควายไว้ถ้าเราปล่อยวัวควายไปตามภาษาไม่มีอะไรมาขังเดี๋ยวก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็จะยิงยิงตายได้นั่นเองใจของพวกเราถ้าไม่มีศีลก็จะไปทําเรื่องทําราวต่างๆขึ้นมาทําให้เกิดความว่างวุ่นทําให้เกิดความทุกเกิดความ ไม่สบายใจขึ้นมาถ้าใจว้าวุ่นขุนมัวฟุ้งซ่าแล้วเวลาจะทำสมาธิก็ทำไม่ได้ใจต้องสงบก่อนสงบด้วยศีลก่อนพอมีศีลบรรสนแล้วใจก็จะไม่มีความว้าวุ่นขุนบัวเวลานั่งสมาธิก็จะง่ายกว่าคนที่ไม่มีศีลแต่จะนั่งสมาธิได้ผลหรือไม่ได้ผล ก็อยู่ที่การมีสติหรือไม่เพราะสตินี้เป็นเหมือนเชือกที่จะดึงใจให้เข้าไปในกรงถ้าใจเป็นลิงถ้าจะจับลิงเข้ากรงเราก็ต้องมีเชือกคล้องคอลิงแล้วก็ดึงลิงเข้าไปในกรงได้ถ้าจะจับลิงด้วยมือเปล่าเข้ากรงนี้จับไปจนมันตายก็จับไม่ได้เพราะลิงมันจะเร็วกว่าวัยกว่าฉันใดใจของพวกเราจะวัยกว่าเรามาก เราจะสั่งให้ใจสงบนี้ไม่สามารถสั่งมันได้เราต้องมีเชือกผูกคอมันไว้แล้วก็ลากมันเข้ามาเชือกนี้ก็คือสตินี่เองเราต้องตั้งสติตั้งให้ใจอยู่ในปัจจุบันให้อยู่ตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้อย่าไปอยู่ที่อื่นอย่าไปอยู่ในอดีตอยู่ไปในอนาคตก็หมายความว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้ว อย่าไปคิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดถ้ามีความจำเป็นก็คิดได้แต่ไม่ให้คิดร่วยเปื่อยคิดจนฟุง้งซ่านคิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดจนเดือดร้อนใจตลอดเวลาอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์กับใจเราต้องดึงใจให้มาอยู่กับร่างกายของเราให้เฝ้าดูร่างกายว่ากาลังทาอะไรอยู่ ถ้าเฝ้าดูดึงไว้ได้ต่อไปใจจะไม่ลอยไปลอยมาเวลานั่งสมาธิให้อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธก็จะไม่ไปที่อื่นจะอยู่กับลมจะอยู่กับพุโทโธแล้วใจก็จะดิ่งรวมลงเข้าสู่ความสงบได้พอได้เข้าสู่ความสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขอันมหัศจรรย์ใจที่พระพุทธเจ้า และภาษาวก e ทั้งหลายได้พบแต่ยังไม่เป็นธรรมะยังไม่เป็นดวงตาเห็นธรรมความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้เป็นความสุขที่ชั่วคราวเท่านั้นถ้าอยากจะได้ความสุขที่ถาวรต้องใช้ปัญญาต้องทำให้มีดวงดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาถ้ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ามีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาแล้วไม่ยึดไม่ติด ตอนนั้นแนหะจิตจะสงบอย่างถาวรจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนกับการเกิดการดับของสิ่งต่างๆร่างากายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ต้องใช้ธรรมะจะต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเรา ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเห็นตามได้แล้วปล่อยวางได้ก็จะปรากฏดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาก็จะเป็นบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาอันนี้แหละคือความสุขที่ถาวรต่างกับความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิเวลานั่งก็สงบ ก, ก็มีความสุขแต่เวลาออกจากสมาธิแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจพอไปวิตกกังวลกับเรื่องน้ำท่วม กับสมบัติเข้าของเงินทองกับชีวิตร่างกายของตนแต่พอใช้ปัญญาพิจารณ า, าเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงสมบัติไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราพอปล่อยวางได้ก็จะหายทุกทันทีจะหายวิตกกังวลทันทีจะมีความสุขเหมือนกับขณะที่นั่งอยู่ในสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี่แหละคือความวิเศษของ มรรคผลนิพพานจะรักษาใจของเราให้อยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาทั้งตื่นและหลับไปตลอดอนันตกาลเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็สุขไม่เดือดร้อนนี่แหละคือสารณะที่พึ่งที่แท้จริงของเราพุทธธรรมะสังขะอยู่ในใจของเราผู้ที่เห็นธรรมะก็คือสังขะนี้เองดล้วก็ผู้ที่เห็นธรรมะก็จะเห็นพุทธ เพระเาะพรุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมผู้ที่เห็นร่างกายของของตถาคตนี้ยังไม่เห็น ต, ตถาคตที่แท้จริงเพราะร่างกายของตถาคตนี้เป็นเพียงตัวแทนเท่านั้นเองเป็นป้ายบอกทางเป็นหุ่นที่จะต้องเสื่อมไปหมดไป มาจากดินน้ำลมไฟก็จะต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟดังนั้นพวกเราอย่าไปยึดกับพระพุทธภายนอกพระพุทธพระสงค์ภายนอกพระธรรมภายนอกเพราะต้องต้องเสื่อมหมดไปภายในห 5,000 ันปีนี้ก็จะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลงเหลือไว้เป็นป้ายบอกทางให้กับพวกเราแล้วตอนนี้ยังมีอยู่พวกเรารีบเดินทางกันไปเสียจะได้มี มีมีผู้นำทางมีป้ายบอกทางจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าพอไม่มีป้ายบอกทางแล้วไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ต้องคลาทางไปคลำไปอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะไปถึงได้เพราะทางที่จะไปนี้เป็นทางที่นึกรับมากทีเดียวสำหรับผู้ที่ไม่มีไม่มีแสงสว่างนำไป งขอให้พวกเรามาหมั่นมาสร้างสรณะที่พึ่ง น, นี้กันอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้แล้วไม่ช้าก็เร็วสรณะที่พึ่งที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจแล้วพวกท่านทั้งหลายก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา